เราก็ทำบัดตอนเย็นจบลงตอนนี้เก็บหนังสือวางไว้ข้างก่อนวางว้ข้างจะพูดภาพรวมของวันนี้นะที่เราปฏิบัติทำกันโดยเฉพาะกลุ่มที่ มารวมตัวกันปฏิบัติธรรมเป็นวันแรกทั้งการรวมกลุ่มปฏิบัติและการแยกในช่วงภาคบ่ายส่วนใหญ่เราจะมีประสบการณ์คล้ายๆกัน mm. คือหลังจากเราใช้รูปแบบการปฏิบัติการเดินจงกรมการยกมือ14บียังไง ปากฏการของอารมณ์ที่แสดงออกมาอันดับแรกส่วนใหญ่ง่วงอันนี้เป็นอารมณ์ปฏิบัตินะทำไปทาอย่างอื่นทำงานทำการสนทนาการหรือว่าทำงานที่เราชอบส่วนใหญ่มันก็ถูกใจจะเพลิดเพลินเราจะหลงไปในความเพลิดเพลินติดความเพลินอานานความเพลิน กนี้เรามาทำกรรมฐานซึ่งมันเป็นรูปแบบการปฏิบัติเพื่อให้จิตมันมีงานทำเรียกว่างานกรรมฐานนั่นแหละการยกมือสืบสี่ว่าเดินหน้าถอยหลังอันนี้มีอยู่ในพระสูตรในหมวดที่เรียกว่าสมัญญาปภ ะ, ะเรามาฝึกหัดวัดกายวัดใจของเราดูวัดมันปกติหรือไม่ปกติผิดปกติอย่างไ มันปกติมันจะเฉยๆแต่พอไม่ปกติปั๊บมันจะมีผลระยะข้างเคียงออกมาให้เราได้สังเกตจัดระเบียบเดี๋ยวฝึกฝืนแล้วก็ฝึกฝนตัวเองปกติถ้าไม่ฝึกมันก็ทำตามใจตัวเองไปแต่นี้มันทวนมันไม่ตามใจกลับมารู้การเคลื่อนการไวปลุกกระตุ้นให้มันตื่น เนื้อตื่นตัวขึ้นมาจนอำนาจความง่วงมันครอบงำไม่ได้มันค่อยๆจางคลายหายไปบางทีมันก็มาบางทีก็ไปมาแล้วมาอีกบางทีร่างกายเราเจ็บปวดเมื่อยพอเรานั่งสร้างช่วงวัสักพักมันก็เจ็บขาเจ็บเอวเจ็บหลังเจ็บไหล่อย่างเงี้ยเราก็ลองสังเกตผ่อนคลายบรรเทามันเก๊กมันเกรงยังไงแล้วมันผ่อนคลายอย่างไรอย่างเงี้ยต้องสังเกตเอาจนมันเจอสภาวะสมดุลพอดีพอดีอ่ะ เหมือนกับคนที่หัดขับรถใหม่ๆเวลาขับรถใหม่หมก็เก๊เก๊กเกงเเกออรเขินเอย่างหรือเวลาเราหลายคนเป็นแพทย์เภสัตชเป็นทันตแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะไปผ่าอาจารย์ใหญ่ผ่าศพอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ตื่นเต้นไหมพอรู้ว่าจะต้องไปผ่าอาจารย์ใหญ่เตื่นเต้นไหมกลัวไหมอารมณ์เดียวกันนั่นแนหะแต่หลังจาก กัวก็ต้องทําพระมันเป็นคะแนนมันมีคะแนนล่ออยู่ถ้าไม่ทําก็ไม่ผ่านเราก็ทำด้วยความกล้ากลๆกลัวๆบางทีต้องเก็บอวัยวะไว้ที่ตู้เย็นด้วยหมอผ่าตัดบางคนเอาหัวกะโหลกบ้างชิ้นส่วนไปเก็บเอาไว้อวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนนู้นแช่เย็นไว้ คือถ้าเรากลัวงแต่ต้นก็คงไม่มีการผ่าตัดแล้วก็มีความสำเร็จมันก็ต้องมีการฝึกฝนนะนะหลายครั้งหลายหนแล้วก็สอบผ่านฉันใดก็ดีเวลาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันอาการง่วงอาการลังเลสงสัยหรือว่าคิดมากฟุง้งซ่านมีความโงดหงิดหรือว่าพอใจมารู้สึกว่ามันมีความสงบพวกนี้ถ ล, ล่มเผลอก็ไปก็ กลายเป็นความไม่รู้เนื้อรู้ตัวทั้งหมดเราก็จึงต้องแยกให้เป็นแยกแยะสังเกตแล้วก็ปรับกายปรับใจหลวงปู่เทียนยังมีเทคนิคเวลาปฏิบัติเนี่ยวางกายคลายสังเกตได้ขนานี้เลยวางกายคลายแล้วก็วางใจกลางๆมันทํายังไงวางกายคลายวางใจกลางๆลามันจะรู้สึกธรรมดาธรรมดามันเหมือนกับว่านั่ง ไม่เหมือนกับถูกบังคับตัวเองไม่ต้องบังคับตัวเองนั่งเรารู้สึกเฉยเฉยนะพอเราจับอารมณ์การวางกายวางใจเป็นมันก็จะเคลื่อนไม้เคลื่อนมือทําได้เรื่อยๆเพราะว่าอํานาจของสติกําลังของสติมันเป็นกําลังนะเมื่อสติมันนาเนี่ยมันจะเกิดความสมดุลขึ้นมาศรัทธาก็จะบวกด้วยปัญญาไม่ใช่ศรัทธาเอียงซ้ายเอียงขวานะ จะเป็นปัญญาเชื่อมากๆเชื่อความคิดอะไรมาเอียงขวาเนี่ยนะจะเป็นลนักษณะของเชื่อศรัทธามากๆเนี้ยเชื่อมากๆโงองหลงอมไงก็เอียงซ้ายเรื่องที่ขยันทํามากๆเคลื่อนไหวมากๆขยันก็กลุ่มพวกไฮเปอร์น่อขาดสมาธิขาดความตั้งมั่นหรือบางทีเราต้องการสมาธิมากๆตั้งมั่นกําหนดรู้บางทีมันก็ขาดการเคลื่อนการไหวอยากจะนั่งนิ่งๆขึ้นไป เราก็มีสติระลึกรู้การฝึกสติก็คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนะี่ยทุกครั้งที่รู้สึกตัวสติปฐานก็แสดงออกมาความเป็นปกติมันก็มีให้เราได้สังเกตให้เราได้สัมผัสอันนี้จะทําได้เรื่อยๆแป๊บๆก็หมดวันแล้วมันไม่มานั่งนับกี่นาทีแล้วกนะี่ชั่วโมงแล้วเนะี่ยไงใกล้หมดเวลาหรือ ย, ยังมันจะ ม, มีการรอคอยรอยคอไม่มี ชีวเราไม่มีการรอคอยลอยคอมันอันตรายมันมีแต่อยู่เหนืออยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นไปเหนือความพอใจเหนือความไม่พอใจเหนือความเพลิดเพลินอำนาจความเพลิอนอำนาจของนิวัรธรรมเนื่องจากมันมีสติปัฏฐานมันเห็นกายตามความเป็นจริงมันเห็นอาการตามความเป็นจริงเห็นอาจารย์การจิตคิดตามความเป็นจริงเป็นหน้าการของธรรมชาติที่กําลังเกิดขึ้นที่กายที่ใจทําความเป็นจริง ตากระทบโรคก็เห็นจริงๆแต่ไม่ได้คิดต่อหูได้ยินเสียงจริงๆแต่ไม่ได้คิดต่ออย่างนี้นะจ็บหัวก็ได้กลิ่นจริงๆไม่ได้ปุงแต่งต่อลินริ้มรสเราเลยฝึกกันตื่นยันหลับเลยทุกๆกิจกรรมล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําใช้ทั้งหมดเดินไปเดินมาในรูปแบบนอกรูปแบบรับประทานอาหารล้างจานล้างใจพวกนี้เมื่อทีล้างจานเราต้องการล้างจานล้างถาด ใจต้องการให้เป็นเสร็จไวๆอย่างเงี้ยคราวนี้คนปริมาณเยอะๆต้องร อ, องเงี้ยบางทีเราก็เออรอได้มีสติรู้เนื้อรู้ตัวแต่บางทีมันก็รอไม่ได้ใจมันร้อนใจมันร้อนมันร้อนแดดด้วยร้อนกายด้วยร้อนใจด้วยอันนี้ก็แสดงว่านะจะทําให้เกิดปฏิยาอาการหงดหงิดเกิดขึ้นมาได้เกิดการปรุงแต่งเคศลาบได้แต่มันจึงมีอารมณ์ปฏิบัติเวลาปฏิบัติธรทำต้องเจอกันทุกคนเลยบางทีเกิดจิตสํานึกขึ้นมา อะไรไม่ดีหลายๆอย่างความทุกข์เก่าๆปัญหาเก่า ๆ, ๆที่แก้ไม่ตกมันจะมาในรูปรอยของความคิดอย่างั้นเราก็ไม่เข้าไปอยู่เพียงแค่กลับมารับรู้ฐานการเคลื่อนการไหวของกายเบื้องต้นเลยแต่ถ้ามันมีสติสติจะรู้เท่ารู้ทานเองเวลาจิตคิดโดยไม่ได้เจตนาโดยไม่ได้ตั้งใจสติประฐานจะรู้เท่ารู้ทานแล้วก็ดับทันทีความคิดจะคิดต่อไม่ได้แม้กนั่งนอนหลับฝันก็ตาม นะกลางคืนก็ฝันกลาวันก็คิดยังไงนะกลางคืนนอนหลับบางทีนะเราลองสังเกต ด, ดูมันฝันแล้วเราก็สะดุ้งตกใจตื่นขึ้นมาบางทีก็เหมือนถูกผีอำเหนะมือนกับใครนะพาเราลุกขึ้นนะบางทีก็เหมือนการลากขาเรานะผีอำนะก็คือความคิดทั้งนั้นเลยนะเป็นความคิดของตัวเราเองเนี่แหละที่มันมีนะอํานาจ ขณะที่นอนสติมันน้อยมันก็แสดงตัวขึ้นมาทำให้คิดพูดทำไปละเมอฝันกลางวันพวกนี้เราก็ได้เห็นขณะปฏิบัติธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นคนที่มีสติรู้สึกตัวก็จะผ่านนิวรธรรมได้ไวเกิดการสุจริต ท, ทางกายวาจาใจขึ้นมามันก็เกิดความรู้มากมายเรียกว่าเรียนรู้ทำมานะจากหยาบไปหาละเอียด จะเห็นกิเลสมันเกิดจากยาไปหาละเอียดความหงุดหงิดความโลภความกอดความหลงหรือว่าความง่วงจากยาไปหาละเอียดขึ้นล ะ, ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมันก็จะเป็นการเดินทางเป็นการพัฒนาจิตของเราทําไมถึงต้องมีการพัฒนาจิตเมื่อกี้เราได้สวดมนต์กันตบพระพุทธเจ้าเนี่ยมันนชี้นํำมาไว้ตุมเหหีกิจจังอัตพังอาขาตาโลตถาคตา เมื่อีเราสวดกันนะีปฏิบัตินาประโมคขันติชายิโนมลพันนาผู้เจ้าชี้เอาไว้นะีมันมีทุกมีเหตุแห่งทุกมีวิธีการก้าวล่วงออกไปจากความทุกข์่านะมีวิธีการด้วยนะที่จะทําให้ถึงนะความพ้นทุกเนะี่ยวิธีการรูปแบบปฏิบัตินะี่มันมีอยู่สติปัฏฐานสี่นะตรงนี้ท่านชี้ไว้ตะขอถาคดเป็นแค่เพียงผู้บอก ส่วนการเดินทางเนะี่ยเราทุกคนต้องเดินทางเอาเองตัวนี้จึงต้องมีการปฏิบัติธรรมแต่คนส่วนใหญ่เหมือนกับว่านกอยู่บนฟ้าไม่เห็นฟ้าปลาอยู่ในน้ําไม่เห็นน้ําไส้เดือนอยู่ในดินไม่เห็นดินนอนอยู่กับคูดไม่เห็นคูดคนอยู่กับทุกก็ไม่ค่อยเห็นทุกคราวนี้พอเราเข้าวัดปับ๊บนะมันมีศาสนาสถานใช่ไหม มีศาสนบุคคลมันมีศาสนพิธีอย่างตอนนี้ที่เรามารวมตัวกันเนี่ยเป็นศาสนพิธีแล้วมันก็มีศาสนาที่เราสามารถที่ทําลงไปหมายถึงว่าปฏิบัติลงไปนะแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ทันทีก็คือรูปแบบการปฏิบัติศาสนธรรมเมื่อลงมือกระทํามันก็ถึงธรรมเหมือนกับที่เราสวดอีกบทหนึงว่า โยทำมังปสติโสมังปสติอย่างงี้นนะหรือว่าโยมังปสติโสทำมังปสติหมายถึงว่าผู้ใดเห็นธรรมคนนั้นก็เห็นเราบทเนี้ยองค์สมเด็จสัมมาจุตเจ้าได้พูดเอาไว้กับภวรวักกะลิกพระรูปนี้ชื่อภวรวักะลิกไงนะเป็นพระกะเทยพระกะเทยหรือหรือเราจะเรียกกันง่ายๆพระตุตนะนะารนี้ว่า พระรูปนีไม่ไม่ปฏิบัติธรรมจับชายชีวรแล้วก็สัมผัสกับพระพุทธเจ้าจับปลายนิ้วเล็บมือเล็บเท้าพยายามอยู่ใกล้ๆไปไหนก็ไปด้วยกันจนท้ายสุดพระเจ้าก็เมตานะก็ได้ชี้บอกว่าพระบกลทิกให้เธอไปซะ จับใยจีวรจับนิ้วมือของเราไม่ใช่วเจาออหรอกให้ไปปฏิบัติธรรมซะภาวะกระลิกก็น้อยใจคนขี้น้อยใจจิตไม่เป็นปกติทีนี้ก็ตรอมใจป่วยไม่สบายวันหนึง่งคิดมากถึงขั้นฆ่าตัวตายโดดเหวตายเลยไปโดดหน้าผาตายเนี่ยนะ พะพิสุยรูปหนึ่งก็นำความมาบอกกับพระพุทธองค์ว่าพระวักรลิกเนี่ยจะไปฆ่าตัวตายแล้วพระเจ้าก็เสด็จไปไปโปลดพระวกรักรลิกอะไรพูดประโยคมาสักกลุ่นนี่แหละเมือ่อใดเห็นธรรมมันก็เห็นเราตถาคตเมือ่อใดเห็นเราตถาคตมันก็เห็นธรรมก็คือการกลับมาเห็นตัวเองนั่นแหละพระเจ้าคือตัวเราจิตมรู้ตื่นเบิกบานอย่างนี้ยปรากฏว่าพระวักรลิกเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหรันต์เลยทันที ในวันนั้นแหละก็จึงมีบทสวดผู้ใดเห็นธรรมวันนั้นเห็นเราก็้ใดเห็นเราวันนั้นเห็นธรรมที่เราสวดไปเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นการที่พระวักลิกเนี่ยได้เจอกับบุคคลที่ควรเจอด้วยนะคือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะเมื่อเจอกับสัตบุรุษควรจะเป็นยังไงก็คือฟังเศจษฐธรรมความจริงว่ามันคืออะไรกันแนะ่อย่างเช่นมาที่นี่เราได้ยินแล้วที่เราทุกเนี่ยเพราะความคิดทั้งหมดเลยทุกเพราะความคิด เราได้ยินแล้วแล้วทํำยังไงอ่ะก็ออกมาจากความคิดในการมารู้สึกตัวสิเคลื่อนไหวให้รู้สึกสิได้ยินแล้วคราวนี้ได้ยินในเกิดศรัทธาไหมพระว่าจนกในศรัทธาในคําพูดของพระองค์ศรัทธาเมื่อมีศรัทธามีความเชื่อมีความเรื่อมใสก็สามารถที่จะแยกแยะได้สิ่งที่พูดเนี่ยอะไรมันถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องอะไรมันถูกใจอะไรมันถูกต้องถูกต้องไม่ถูกใจ ไม่ถูกใจก็ต้องทําพื่อถูกต้องอย่างนี้นะถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ทําเพราะว่ามันแค่ถูกใจของเราแต่ไม่เป็นความถูกต้องชอบทำยแยกแยะเขาเรียกโยนิสมัติการแยกแยะอย่างแยกค า, ายเลยคิดเป็นหลายๆมุมอย่ามองโลกแต่งแง่เดีวยวแยกแยะไอ้ไม่ดีอาจจะดีก็ได้ไอ้ที่ดีอาจจะไม่ดีก็ได้แยกแยะชั่งน้ำหนักให้ดีดีไอ้ที่ว่าไม่ดีมันอาจจะดีถึงวันนี้ว่าไม่ดีวันหน้ า, าจจะดีอย่างนี้น ใช้ได้อย่างเช่นการปฏิบัตินะบอกว่าเ อ, อป้องกันดีว่ารักษาดีฝาเสียสูญแล้วค่อยเข้าวัดอย่างเงี้ยตอนนี้มันป้องกันก็คือยังไม่ต้องเสียสูญนะแต่เรียนรู้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแปแบกหามรู้ไว้ก่อนพอถึงเวลาทุกข์โอ้เราเคยซ้อมมาแล้วเคยฝึกความ ร, รู้สึกตัวมาแล้วมีสติมันก็จะพัฒนาต่อยอดผ่านไปทันทีอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเมื่อศรัทธามันจะเกิดการ แยกแยะเกิดความแยบคายขึ้นมาวิธีคิดเนี่ยนะตรงนี้นจะเกิดการลงมือกระทำลงไปเรียกว่าเจริญสติมาฝึกสติมันมีมากมายเหลือเกินรูปแบบการปฏิบัติอยันนี้มีเพื่อนของเราได้ถามว่าเ อ, อรูปแบบนะที่มันสบายสบา ย, บายที่มันง่ายกว่าเนี้ยมีไหมมันก็คงจะมีหรอกก็ให้เราได้ลองปฏิบัติที่นี่ก่อนระหว่างที่อยู่ที่นี่แล้วเมื่อจากไปจากที่นี่เห็นว่าไม่ดี ก็ไของที่เนี่ยทิ้งไว้ที่ตรงนี้แหละแล้วก็ไปเลือกวิกธีการที่มันมีอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปก็แล้วมาชิม ม, มันนะเมืนร้านค้าในโลกใบเนี้ยหรือว่าในประเทศไทยหรือว่าในจังหวัดชัยภูมริร้านค้าค้าขายอาหารนั้มีเยอะมากเราก็ลองไปชิมดูร้านไหนเหมาะกับเราเหมาะกับลิ้นของเราอาตมาโดยส่วนตัวเชื่อว่าอาหารทุกร้านเนี่ยอร่อยทั้งหมดนะแต่ว่ามันเหมาะกับลิ้นเราหรือไม่นี่เราต้องลองไปชิมดู ทำเหมาะเราก็รับประทานต่อไปอุดหนุนกันต่อไปอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่เห็นว่าไม่อร่อยไม่ถูกริ้นเราก็วางไว้ซะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ลองชิมครั้งแรกเนียมันจะเป็นการเสียโอกาสเกินไปชีวิตของเราชีวิตของเราจะต้องให้ชีวิตของเรานะ่ยมีประสบการณ์ตรงในทุกๆเรื่องดีกว่าเป็นประสบการณ์ตรงของคนอื่นที่เขาเลาอวดเราเล่าให้เราฟังแบบว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมเนะี่ยลองไปเลย วิธีการไหนก็ได้ถ้าทําแล้วทุกรถใช้ได้ทั้งหมดเลยทําแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความคิดหรือว่าความลังเลสงสัยมันหายไปแสดงว่าเออวิธีการนั้นนะํเหมอกับเราก็ทําต่อไปอย่างนี้นนะเมื่อเราฝึกสติสติมจะเริญนนี่บอระทำก็จะค่อยๆหายไปเองไอที่เกิดกันวันเนี้จะค่อยๆหายไปดีวันดีคืนเหมือนกับหมอรักษาโรคแล้วถูกโรคถูกยาคนไข้ก็ดีวันดีคืน เห็นสีหน้าก็รู้กันพ่องใสแจ่มใสสดชื่นมีชีวิตชีวาอย่างน้ก็แสดง mm, ใช้ได้ใช้ได้ปฏิบัติแล้วคืนสู่ความเป็นปกติเมื่อก่อนเคยหน้าดำข้าเครียดงี้เดี๋ยวนี้ก็พ่องใสดูแลว้วรู้สึกสบายหูสบายตาก็แสดงว่านิวรณเราทไม่ <extent> ค่อยครอบงำทำแล้วจิตใจมันรื่นเริงปลาโมด ทำได้เรื่อยๆอย่างนี้เกิดปีติเกิดความสงบเกิดความสุขขึ้นไปมันก็จะไหลไปสู่มรรคสู่ผลต่อไปอ่ะคราวนี้เมื่อเรามีสตินิวนรธรรมมันผ่านมันก็จะแสดงออกทางกายว่าใจของเรานะเป็นปกติดีเรียกว่าสุจริตมีศีลแสดงออกแบบผู้มีศีลมีปัญญามีสมาธิการแสงออกไหวพิปฏิภานจะมีความว่องไว มันจะไม่เมินเนงง ง, งนะเบลอเบลอไม่มีมันจะมีอาการจำใสรู้ทันทางตาโหูจ้าหมอิ้วกายใจไวพ้พิปฏิพานตัวเนี้ยจะเห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้ทุกไปกับโลกด้วยตรงนี้สําคัญก็เรียกว่าเกิดวิชาขึ้นมาเกิดความรู้ขึ้นมาวิชาคือความรู้อะนะเพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นธรรมพวกนั้นก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจสบบฏจสมุปบาทพวกนั้นก็จะเห็นธรรมนั่นเอง ก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าเวลาเรารู้สึกตัวเนะี่ยวิชามันเกิดเห็นรู้สึกตัวเนะี่ยที่ฐานการเคลื่อนการไหวของกายนะแต่ถ้าเราไม่รู้สึกตัวอวิชาก็เกิดหลงตัวลืมตัวไปเที่ยวงานวัดหลงไปทางตาเดี๋ยวเงินหายหมดเลยโดนกีดกระเป๋านะคือมันไม่รู้ตัวไงคน้ากระแทกหรือบางทีคนที่หลงนะบางทีก็โทรศัพท์มาเบอร์แปลก เราก็อ้ะใครโทรมาโทรกลับไปปรากฏว่ามันโดนชาร์จทันทีเลยนะบางทีข้อมูลในเครื่องหายหมดเลยเงินในธนาคารนะเงินในบัญชีถูกถอนไปเลยอย่างเงี้ยมันมีแก๊งพวกนี้มากมายเหลือเกินบางทีแค่เราลังเลสงสัยนะโทรกลับไปนะนะแค่สงสัยเนี่ยนะเสียงเงินเลหลายล้านเลยมันมีแล้วเกิดขึ้นมาหรือบางทีเขาก็กดมาว่าให้ไปรับคืนภาษีอากร เราก็เกิดความโลภขึ้นมาเออมันคืนภาษีถ้าไม่กี่พันบาทแล้วนะพอกดไปท่านะเรียบร้อยเลยเงินหายไปเลยสองสามมืนบาทเงินเดือนเดือนแรกๆแหมพยายามที่จะเก็บอดออมมาไว้ใช้ในเดือนหน้าต่อไปเงหายไปเลยเพราะนั้นอำนาจพวกนี้นะก็คือเราไม่รู้นั่นเองไม่รู้สึกตัวไม่รู้การเคลื่อนการไหวไม่รู้ว่าเออเวทนาจิตธรรมมันกำลังปรากฏอยู่ เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าอย่างไรอย่างงี้นะเป็นปัจจุบันขณะเพราะฉะนั้นเมื่ออาวิชาเกิดขึ้นมาสังขารการปรุงเกิดขึ้นมาทันทีนะสังขารทาเกิดวิญญาณวิญญาณก็คือรู้รู้ถูกหรือรู้ไม่ถูกนะอีกเรื่องหนึง่งถ้ารู้ไม่ถูกปั๊บวิญญาณมันสร้างทันทีทําให้เกิดนามรูปขึ้นมานามรูปหมายถึงวันนี้มีไหมขนาดปฏิบัติธรรมเนี่ยหน้าพ่อโผอมามีไหม อยู่รู้สึกตัวอยู่หน้าแม่โผล่มามีไหมยอยู่หน้าเพื่อนที่เราลืมไปแล้วโล่มามีไหมหรือว่าภาพในอดีตเก่าๆโล่มามีไหมนัน่นแหละอันนี้คือนามรูปนะมันไม่ใช่รูปนามนะมันเป็นนามรูปมันเป็นรูปรอยของความคิดเห็นภาพมาเลยแสงมันไวฝาเสียงไงชื่อยังไม่มาชื่อคนนั้นคนนี้คนโน้นยังไม่มาแต่ภาพมันมาก่อ น, นเอ๊ะใครนะเอ๊ะๆเนี่ยคนนี้ใครนะอย่างที่ภาพมาก่อน นะก็คือแสงมันวัยฝาเสียงนั่นเองนะนามรูปตัวเนีนะ้มันก็คือภาพของความคิดนั่นเองที่มันเป็นภาพโผล่กันมาแล้วเดี๋ยวจะมีภาษาโผล่ตามมาเป็นใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่าตามไม่ทนะีเป็นอาการของความคิดเป็นภาษาในสมองของเราโผล่กันมานะเพราะฉะนั้นนามรูปไทยเกิดสลายญาตนะอายาตนะจะเกิดขึนก็บางทีปฏิบัติธรรมเนี่ยนะ ถ้าจิตมีสมาธิมากๆนะ่บางทีจะมีจิตหลอนเกิดขึ้นมาทันทีเลยเคยไหมเคยจิตหลอนไหมเช่นมีควันทูบเกิดขึ้นมามีกลิ่นดอกไม้เกิดขึ้นมาบางทีจิตเป็นอกุศลเกิดซากศพเหม็นๆขึ้นมาของเน่าๆเกิดขึ้นไหมเนี่ทั้งๆที่มันไม่มีอยู่จริงอ่ะแต่ว่ามันหลอกมันเกิดแล้วน่ะของสลายยตนะมันซ้อนขึ้นมาทันทีเลยคนที่เห็นผีกับพาเหตการณ์แบบนี้แหละความคิดจริงจังมากเลย ล้วเขาประโยกัความคิดแล้วก็หลอนทางตาทันทีดูปั๊บจิตมันซ้อนทันทีหลอนเป็นภาพทันทีนะ่เพราะฉะนั้นให้รู้จักไว้ว่าเออนะเวลาลูบรอยความคิดเกิดขึ้นมาสลายยะนะัเกิดขึ้นมามันจะเกิดอีกหลายอย่างเลยผัสสะเกิดขึ้นมาทางตาหู้โหจมูกลิ้นกายใจมันเกิดขึ้นมาทีผัสสะนะบางทีเห็นปั๊บเนี่ยมองเข้าไม่ดีทันทีเลยทันเข้าไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยบางทีของของเราหายไปอ่ะหาไม่เจอ จริงๆมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะเพียงแค่เราหาไม่เจอนะแล้วก็ว่าเพื่อนเอาไปป่ะเพื่อนเอาไปป่ะขโมยไปป่ะบางทีพอใจของเรามันปักใจว่าเขาเอาไปทั้นนะ่ะมันปรุงแต่งดูมีพิรุษทันทีเลยคนคนนี้ดูมีพิรุษมากๆเลยจนทั้งบางทีเราต้องทะเลาะ ก, กันก่อนพอมาเจอทีหลังอา้าวของมันยังอยู่กับเราอยู่เลยเปรากว่าเราเสียเพื่อนไปแล้วเี้ยนทําไม่ถูกไปแล้วเี้ย อ่ะต่อมาสลายยตนาทําให้เกิดผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเกิดพอใจแม่ยายสุขทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเขาเรียกวเวทนาในใจของเราก็มีเวทนาร่างกายของเราก็มีเวทนาอย่างเงี้ น, นะทางจิตยโยมหาร่างกายเช่นโกรธมากๆ ม, ม, มีผลต่อตรับทันทีกลัวมากๆ ม, มีผลต่อไตทันทีคิดแล้วกลัวนะคิดแ ล, ล้วโกรธมีผลต่อตรับคิดแล้วกลัวมีผลต่อไต คิดล้ดีใจมีผลต่อหัวใจทันทีดีใจมากหัวใจเต้นแล้วตึดตึดตึดตเลยคิดแล้วเสียใจมีผลต่อปอดทันทีปอดมันก็กระซิกกระซิบกระซิบกระซิบควร้องไห้นะหายใจไม่อิ่มเงี้ยนะคิดมากๆมีผลต่อระบบสมองระบบประสาททันทีกังวลมีผลต่อม้ามทันทนนีมันโยงหาเ น, นี่ยทางการแพทย์ก็รู้กันนะโดยทัวตไป บางทเีเราคิดว่าเป็นมะเร็งคิดว่าเป็นมะเร็งคิดว่าเป็นมะเร็ง เ, เกิดอุปทานขึ้นมาคิดบ่อยๆมันก็สามารถเป็นมะเร็งได้ทันทีเหมือนกันอย่างเนี้ย น, นะบางทีไม่ป่วยแล้วว่าเราไม่ป่วยะหมอก็ตรวจผิดก็บอกว่าเป็นมะเร็งหลายคนไปตรวจอีกหลายที่เลยเลยรู้ว่าไม่ได้เป็นมะเร็งอย่างเงี้ยแต่บางคนตรวจไม่รู้ว่าเป็นจริงไม่จริงกันเลยตอมใจตายไปก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นเวทนามันทําให้เกิดตัญหาเกิดอุปทานเข้าไปยึดเลยทันที ถ้าเชื่อสิ่งไหนมันเชื่อสนิทเน่ยนะถ้าหลงเชื่อเนี่ยมันก็ไปตามนั้นนะ่ยไหลไปตามความคิดนะีตามความเชื่อเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาทีหลังต่อไปนะก็จะเกิดภพชาติจรามรณะโศกะปริเทวทุกอุปายาสเกิดขึ้นมาก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่เราสวดมาสักครู่เนะี่ยหมายความอย่างนี้แต่ว่ามาศึกษาแนวหลงปุถีเนี่ยนนะเราไม่ต้องไปรู้ภาษาอะไรทั้งหมด เพียงแค่ว่าสัมผัสกระทบรู้สึกเป็นภาษาอาการภาษาธรรมชาติมันง่วงก็เป็นภาษาธรรมชาติแล้วต้องบอกว่าฉันกําลังง่วงฉันกําลังคิดไม่ต้องบนฉันกําลังเห็นฉันกําลังได้ยินฉันกําลังได้กลิ่นฉันกําลังรู้สึกไม่ต้องมีภาษาเหล่านี้ลงไปให้เราพลิกมือรู้สึกเฉยๆอตอนนี้ทุกท่านลองเอามือมากระทบที่หัวเข่าหน่อยซิ รู้สึกไหมรู้สึกไหมอ่ะรู้สึกนะเนี่ยมันเป็นภาษาอาการแต่คราวนี้ว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยในรูปแบบแนวเคลื่อนไหวสิจังหวะนะอันนี้เรียนตามพ่อก่อตามครูแต่เจยดจังหวนะน้นมันรู้สึกมันเคลื่อนมันไหวมันตึงมันหย่อนมันเกยมันคายนะอย่างไรแล้วก็รู้แบบดูดูรู้แบบปล่อยปล่อยวางๆงไม่ใช่หมายถึงว่าไปเพ่งไปจี้ไปจ้องรู้แบบธรรมชาติธรรมดาธรรมดาของใครของเราน ถ้าเผลอเพ่งจี้จ้องมั่งไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะเกิดการปรับตัวมาที่หลังต่อไปอย่างเงี้นะอั น, นเรียกว่าชั่วโมงบินนะพอเราปฏิบัติไปชั่วโมงบินมันมากเกินมันก็สังเกตอะไรมันมีการเรียกว่าออปรับตัวปรับเนื้อจนกระทั่งเกิดความพอดีต่อไปอย่างเงี้ยนะดังนั้นอันนี้เป็นภาษาอาการนะแต่ว่าเวลาเราพูดเวลาเราแสดงธรรมก็ต้องไปใช้ใช้ภาษาคนนะเป็นภาษานะไทย ก็พอจะฟังกันออกอยู่แต่บางบางคำอาจจะฟังไม่ออกไม่เป็นไรพอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆในท้ายสุดไอ้ริงที่เรามีประสบการณ์มันก็จะตรงๆเหมือนกันก็คือพอกระทบสัมผัสมันก็จะรู้สึกเหมือนเหมือนกันตรงๆเลยเป็นปัจจุบันเวลามันเผลอไปในอารมณ์มันก็จะเกิดเหมือนเหมือนกันเช่นตอนต้นที่พูดถึงนี่ ร, ร, นะร้อนนวัธรรมนะหรือว่าพอเราฝึกไปฝึกไปฝึกไป บางทีแวบเดียวมันไหลไปสู่สุขแวบเดียวมันไหลไปสู่ความทุกข์อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็นั่นหมายถึงว่าเป็นประสบการณ์ของใครของเราจะต้องกลับมาปฏิบัติธรรมสู่หลักกรรมฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้ น, นกลับมาให้ไวถ้าสติมันคล่องตัวว่องไวเป็นไวพ่ปฏิพันธ์จะกลับมาได้ไวทันทีไห น, นมันเผลอไปมันจะกลับมารู้ทันทีนรู้ในสิ่งที่เรากําลังทำเรียวกว่ากรรมฐานอย่างนง้ยนะนะ อันนี้จะเป็นประสบการณ์ของใครของเราที่อยู่ที่นี่ของแต่ละคนแต่ละท่านไม่ได้ถือว่าง่วงผิดนะไม่ง่วงถูกทําแล้วมันตื่นตัวเดียวถูกนะพอมันไม่ตื่นตัวผิดไม่ได้หมายความอ่างนั้นแต่หมายความว่าอะไรเกิดขึ้นมาให้รู้มันรู้มันก็รู้มันหลงไปมันก็รู้อย่างนี้นะมันมันมันมันร้อนก็รู้มันสบายดีก็รู้อย่างนี้นะมันหิวก็รู้ปวดปัสสาวะก็รู้ เวลาเราได้ดื่มน้ํามันหายก็หายแล้วเนี่ยเราก็รู้เวลารับประทานอาหารแล้วมันหายหิวแล้วเราก็รู้เนี่ยรู้เท่ารู้แทนขณะ น, นี้นั่งรับบวแล้วเมื่อยล้วก็รู้อย่างเงี้ยได้ยินเสียงมากระทบอยู่ก็รู้อย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเรื่องของประสบการณ์ของสติปัฐานที่มันเจริญเติบโตอยู่ภายในจิตใจของเราถึงเราจะไม่ได้เหมือนกับว่ามีศรัทธามาก็ตามไม่เชื่อก็ตามแต่ก็ขอให้เคลื่อนไหวรู้สึกตัวไว้ก่อน เพราะว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับศรัท ธ, ธาหรือไม่เกี่ยวว่าไม่ศรัท ธ, ธาเกี่ยวกับเรื่องของว่าเรารู้สึกตัวหรือไม่ตัวนี้สําคัญที่สุดนะมีสมัยพุทธกาลก็มีสัมเนนอยู่รูปหนึ่งเป็นเด็กทีนี้สัมเนรูปนี้ตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมสมัยหนึ่งเนี่ยทางตอนเหนือของ ประเทศอินเดียนิวเดลี Delhi, นะในยุคปัจจุบันเนี้ยนะตอนเหนือของประเทศอินเดียเนี่ยเขาจะมีคําพูดเวลาเจอกันก็ไม่ได้ถามว่าสีอะไรไปไหนเขาจะไม่ได้ถามอย่างเงี้ยเขาจะถามกันว่ารู้สึกตัวหรือเปล่ามีสติอยู่หรือเปล่ามีศีลหรือเปล่าก็าจะถามกันนะเวลาทักกันนะี่ยเพราะคนที่นหะน ตำบล น, นีนะ้ทางตอนเหนือของ New Delhi, นะิวเดลีน่ะยังมีการเจริญสตรีฐานนะแนวเคลื่อนไหวเนะี่ยหยุดทั้งวันตองตนะเตือนยันหลนับก็จะเตือนกันแต่ละคนก็เจอกันจะเตือนกันรู้สึกตัวอยู่หเปลา่างนั้นนะคันนี้สมณร น, นนะรูปที่ว่ า, นะาน่ะก็เดินตามพระสารีบุตรไปบิณฑบาตคันนี้ก็เห็นชาวนาไขาน้ำเข้านา เห็นช่างไม้นะถากไม้อยู่แล้วก็เห็นช่างลูกศรก็ดัดลูกศรช่างตะโนะเขาทำลูกศรเขดัดลูกศรเนี่ยก็เลยปิ๊งขึ้นมาเอ๊เราจะรู้ธรรมเนี่ยต้องปฏิบัติธรรมนะอางนะจะเป็นบัณฑิตเนี่ยจะต้องปฏิบัติธรรมมันก็เลยมีคําว่าชาวนาไถน้ําข้าวนาช่างลูกศรก็ดัดลูกศร ช่างไม้ก็ถากไม้แต่ผู้จะเป็นบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตจะต้องฝึกตนปรกากฏสามนเณรรุ่นี้กลับไปก็ไปปฏิบัติธรรมเดินจงกรมเดินไปเดินกลับระหว่างที่บิณฑบาตเนี่ไม่ไปบิณฑบาตนะอยู่เดินจงกรมพระสารีบุกลับมาพระเจ้าบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปสามนเณรรุ่นี้กำลังจะบรรลุธรรมอย่าเพิ่งเข้าไปให้รอก่อนไม่นานนะักสามนเณรรุ่นี้ก็ บ, บรรลุเป็นพาาระละหันอย่างนี้นะ จริงหรือไม่จริงเราไม่ต้องไปสนใจอ่ะมันมีอยู่ในคัมภีร์แล้วก็มีคนที่ตัดสรู้เร็วที่สุดในโลกเลยนะเป็นเอกกะทะะนะชื่อว่าพายิยะพาโรจิรยะรูปเนี้ยเป็นปุตชชนเป็นพ่อค้าคราวนี้เรืออับปางแตกปรากฏว่าเสื้อผ้าหลุดลุยแล้วก็ไปเกยชายหาดอยู่คราวนี้ก็ได้อาหารได้ลาบสกาละเพราะว่าเป็นคนรูปงามก็เลยอาศัย ลาบสกาะนะรแล้วเลี้ยงตัวเองทําตัวเป็นคนมีศีลอย่างเงี้ยนะต่อมามีเทวดาก็มาบอกว่าพระพุทธเจ้านะ่ยอยู่ใกล้ๆเป็นพระละหันไพยะได้ยินเช่นนั้นก็วิ่งไปเลยนะทั้งคืนเลยวิ่งไปจนกระทั่งถึงเช้าก็ไปเจอพระเจ้ากํลาลังบินบาตอยู่ขณะที่เหนืหน่อยๆก็ถามทันทีว่าทำที่ทําให้เกิดนะเป็นพระละหันเนี่ยมันคืออะไร พระเาก็บอกว่าเดี๋ยวเราบินทบาทอยู่กลับมาเราถึงจะบอกให้ให้คอยเราที่สำนักก่อนพายาก็บอกว่าอดบอกเราด้วยแต่ ว, ว่าธรรมะที่ไม่เกิดเป็นพระรหันเนี่ยทำอะไรพระเจ้าก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาให้เราบินทบาทก่อนพญะ เ, เลยพูดว่าเดี๋ยวท่านกลับมาเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะได้เจอเจอกันไม่ตายจากกันไปซะก่อนชีวิตเราประมาทไม่ได้ พระเจ้าก็คงหนึ่งเห็นว่าภัยยะเนี่ยหายเหนื่อยแล้วนะวิ่งมาเนี่ยนยไม่เหมาะที่จะฟังธรรมสองก็คือจนด้วยนะแลนะค้คำถามของภัยยะว่าเรประมาทได้ยังไงชีวิตเนี่ยนะเราอย่รู้ได้ยังไงไม่ตายจากกันไปซะก่อนพระเจ้าก็เลยบอกว่าภายาัยยะเธอจงสำเนียกว่าขณะเห็นขณะเห็นเนี่ยสักทว่าเห็น ขณะยินได้ยินน่ยศักทว่าได้ยินเห็นสักว่าเห็นยินศัพว่าได้ยินเนี่ยนะจะไม่มีเธอในโลกนี้และโลกหน้าคือไม่มีตัวเราก็เป็นในสิ่งที่เห็นไม่มีตัวเราไปในสิ่งที่ได้ยินนะมันจะไม่มีเราในโลกนี้และโลกหน้าก็คือมันจะถอนความพอใจและความไม่พอใจออกในโลกเสียได้อยังไง น, นนะ เป็รามาฝึกกันออกจากความคิดนะเห็นกับสกวาเห็นได้ยินกับสกวาได้ยินอย่างงี้ย น, นะเรากลอบภัยยาบรรลุมภารหานเดียวนั้นเลยถ้าออกสอบก็าถามว่าพระรูปใดที่บรรลุธรรมเร็วที่สุดในโลกเนี่ยนะนะเป็นเอกธ า, าต้องตอบว่าพายหาิยะภารุจิริยะก็ได้คะแนนไปเลยสอบผ่านอย่างเงี้ยมันก็มีคําพูดเหล่านี้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราพระสงฆ์องค์เจ้าว่าได้อ่านแล้วได้ยินได้ฟังก็รู้สึกเออมันมีความหวังอยู่ ถ้ามันเป็นจริงๆศาสนาไม่ใช่ของเลื่อนลอยอย่างนั้นไม่ใช่ของที่เราไม่สามารถจับต้องได้สัมผัสได้นะนะถ้าเราเชื่อว่ามันมีจริงนะหรือว่ามีไม่จริงก็ตามแต่ว่าเราลองปฏิบัติ ด, ดูทดลองดูทุกครั้งที่รู้สึกตัวไม่ใช่มีความคิดนะหรือว่าความคิดเกิดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจเราสามารถที่จะออกมาได้ทันทีถ้าเราเห็นปากรากฏการณ์ตรงนี้เราก็สามารถย้ำเหมือนกับว่าเกิดศรัทธาความเชื่อเบื้องต้นแล้วล่นะโอ้ศาสนาสอเรื่องจริงอย่างนั้น เราก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกตามกําลังศรัทธาตามกําลังของปัญญาตามกําลังของความขยนันตามกําลังของสมาธิและกำลังของสติปัฏฐานสี่ที่มันเดินพาเราไปนะก็เหมือนกับนิ้วไงนะเหมือนกับนิ้วของเราเนี่ยตัวสติมันก็เหมือนกับนิ้วกลางไงนะเขาเรียงไว้อย่างนี้จริงๆตัวศรัทธาความเชื่อนี่ยเขาเรียงไว้ตัวนี้นิ้วโป้งอย่างเงี้ยนะแล้วตัวปัญญาเนี่ยถ่วงเอาไว้นิ้วก้อยตัวขยันวิริยะเนี่ย เป็นนิ้วชี้ตัวสมาธิเนี่ยเป็นนิ้วหนางส่วนตัวสติเนี่ยเป็นนิ้วกลางเขาเรียกอินทรีห้า 5, ที่กำลังฝึกวันนี้เป็นอินทรีห้าถ้าเกิดอินทรีห้ามันจะมีพละห้าเกิดมามันก็ผ่านตลอดความง่วงเป็นเรื่องจิบจิมากเลยเพราะว่าจิตตื่นสติเป็นชาคริยานุโยคเป็นเครื่องตื่นความง่วงนี่วันจะทมเป็นเครื่องหลับสสยศาสตร์ เพรามีเครื่องตื่นก็เรียกว่าชาคริยานโยกมันก็เลยเป็นกรรมมานิโยหมอกแก่การงานบ ร, ร, ริสุทธิโทอย่างนี้นะเป็นความบริสุทธิ์นะอย่างเงี้ยเป็นคุณธรรมที่จะเกิดขึ้นมากับผู้ที่ปฏิบัติธรรมต่อไปอันนีเห็นว่าสมควรแก่เวลานะั็พูดให้อารมณ์นักปฏิบัตินะเราอาจจะมีความเห็นร่วมกันหรือว่าไม่มีความเห็นร่วมกันก็ไม่เป็นไรก็ฟังเอาไว้ดงนั้นท้ายสุดนี้ก็ขอให้นะอำนาจ ของความดีที่เราได้เคยได้ทํามาตั้งแต่เกิดนั่นนะแหละนการที่เราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธในบรรยากาศที่จะได้ยินได้ฟังและการฝึกสติจารีสฐานสนีะ่ก็ขอแห้อำนาจของนะสติปสฐาน4ี่ที่เราได้ปฏิบัตินะก็พาเราเดินทางนะไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมนะตามระดับขั้นตอนนะตามสมควรแก่การปฏิบัตนะิของผู้ปฏิบัติโดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนเทอา กลับมาพร้อมกัน